อุปถูต่ะ ต, ะ ต, ตังวะตะโพอุปสันตังวัตถุติอิตังโอยสะอนุปะูุตังอิตังอนุปสัตถังเหหิยสะนิสีทะธรรมังเตเทเสตสามีติท่านพูดเชิญที่นี่บุ่นวายเนาที่นี่ขัดข้องเนาะดูก่อนยสะ ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาเถิดยสะนั่งลงเราจะแสดงธรรมแก่เธอยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระชายสิ่งห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับประรุณในทุกวันการเป็นช่วงของจิตตะวิเวเป็นช่วงเวลาที่จะทำจิตของเราให้มีความสงบ ให้มีความวิเวกด้วยการลีกเรนอยู่ในภายในฝึกปฏิบัติทำสมาธิภาวนาไปพร้อมๆกันทุกมาฝังสักประมาณ60นาทีให้จิตกรนั้นมีความวิเวกวันนี้เราจะมาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในหัวข้อที่บาถ้าเรามีเรื่องวุ่นวายในชีวิต ว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรก็ตามที่มันทําให้เรากลุ้มใจกังวลใจอาจจะทําให้ถึงขนะดโกรธไม่พอใจแล้วก็คิดทีไรมันยุ่งวุ่นปวดหัวทุกทีเราจะเอาตรงนี้ออกไป อย่างน้อยช่วงเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะทําอย่างไรเวลามีสิ่งวุ่นวายเกิดขึ้นเราควรพิจารณาอย่างไงเรามาเริ่มปฏิบัติกันตููฟังเริ่มจากจุดที่มีปัญหานั่นแหละมีปัญหาที่ไหนอ่ะมันอยู่ในใจเรานี่แหละตูฟังเราอย่าไปเริ่มที่คนนั้นมีปัญหาหรือว่าสิ่งนั้นมีปัญหาหรือว่าเรื่องนั้นมีปัญหา แต่ปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันมาสมมารุมมาตุ่มกันอยู่ในจิตใจเราใช่ไหมล่ะเราเริ่มที่ตรงในช่องทางใจของเรานี้เพราะว่าถ้าคนอื่นเขาเจอเรื่องราวเดียวกันเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาก็ได้อย่างคนที่เขาสร้างปัญหาในความเห็นของเราเนี่ยคนนั้นสร้างปัญหาเรื่องนั้นสร้างปัญหามีเรื่องราวเกิดขึ้นแล้ว แว่าไอ้คนสร้างปัญหาเนี่ยเขาไม่เห็นรู้สึกว่ามันเป็นปัญหามีความทุกข์มีเรื่องกลุ่มใจอะไรนี่นาะหรือว่าคนอื่นที่เขาอยู่ฝ่ายเดียวกันเขาก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นปนัญหานะคุณก็คิดว่าคุณเป็นปนัญหาคนเดียวก็ปัญหาของคุณไงเออมันก็ปัญหาของเรานั่นแหละแต่มันเกิดจากเขาอะแต่ว่ไอ้ปัญหาที่มันเกิดความกลุ่มใจความไม่สบายใจมันไม่ได้อยู่ในจิตใจของคนนั้นคนโน้นคนนี้ แต่มันอยู่ในจิตใจของตัวเรานี่แหละเราเริ่มที่ตรงนี้ปัญหาจะมีสาเหตุมาจากหลายอย่างหลายสิ่งหลายคนหลายเรื่องแต่มันมารวมกันในช่องทางใจของเรานี้เราเริ่มที่ตรงนี้ดูกันมันมีปัญหาตรงไหนคือหมายถึงในช่องทางใจของเราแล้วนะในช่องทางใจตรงไหนที่มันมีปัญหาหูใช่ไหม คุณได้ยินเสียงได้ยินเรื่องราวนั้นใช่ไหมโอเคคุณตั้งไว้ตรงนั้นหรือใจใช่ไหมคุณคิดความคิดเรื่องนี้ใช่ไหมหนึ่งคือจัมมารมไงโอเคคุณตั้งไว้ตรงนั้นหรือตาใช่ไหมถ้าคุณเห็นภาพว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอยคนนั้นทำไมเขาทำอย่างนั้นเห็นภาพเนี่ยหรือคนนั้นทำไมเขาไปที่นั่นเห็นภาพด้วยตานี่ ตาใช่ไหมมันมีปัญหาเนี่ยตั้งไว้ตรงนั้นตาด้วยหูด้วยใจด้วยแถมไปอีกจ ม, มูกลิ้นเราก็กายด้วยตาหูจ ม, มูกลิ้นกายและใจหกช่องทางนี้แหละมันมามันมีปัญหาเสมอเรื่องราวอะไรก็ตามให้ชอบใจให้เกลียดให้ชังมาจากนี่แหละ ไม่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือกระใจบางคนจะบอกว่าโอ๊ยก็เขาทำชั่วจริงๆเลยนะก็ เ, เป็นคนชั่วจริงๆเลยนะแล้วเขาทำเรื่องที่มันไม่ดีจริงๆเลยด้วยเนี่ยโอเคเราจะรู้ได้เนี่ยก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละหรือคนที่แม้แต่อา้าททำความดีจริงๆเลยนะเป็นคนซื่อสัตย์จริงๆเลยเป็นคนดีจริงๆเลยทำไมต้องมาดราม่ามีเรื่องราวอะไรอย่างนี้ด้วยมันก็มาต่างๆหูจมูกลิ้น การและใจนี่แหละเราจับมันตรงนี้เรื่องราวอะไรก็ตามเราจะรักษาเรารักษาตรงนี้เรากําลังมาเจริญธรรมานุสตินั้นทู่ฟังคือการใกล้กุโรนดำการที่เราระลึกถึงหมวดธรรมะในที่นี้คือมาให้เห็นความจริงในเรื่องราวที่เรามีความวุ่นหวายใจอย่างใดอย่างหนึ่งเรารู้ถึงความวุ่นวายใจได้ เราไม่เห็นภาพเราก็ได้ยินเสียงหรือไม่ก็คิดถึงเรื่องนั้นอยู่เรื่อยตาหูใจนี่แหละมันเป็นหลักเรารับรู้ถึงเรื่องที่ทำให้เรากลุ่มใจได้ก็ช่องทางนี้แหละแถมจมูกลิ้นกายให้ด้วยให้เห็นข้อนี้ก่อนถูกไหมละ่ะไร้กลวนจุดนี้ก่อนมันใช่ไหมละ่ะให้เห็นความจริงในประเด็นนี้ลองยอมรับนะ พราทถ้าคุณไม่เห็นรูปไม่ได้ยินก็พูดเรื่องอะไรไม่ได้มาคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยเนี่ยเราไม่ทุกข์หรอกท่าฟังเราไม่ทุกข์หรอกแค่ที่ว่าเราสังเกตดูดาว อ, อ้อมมันมาตามช่องทางแค่เนี่ยนึู้ฟังคุณถอยมาละก้าวหนึ่งหืมถอยมาไงนะเราก็บ อ, อกว่ า, วาก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องอะไรที่เราไม่เรากลุ้มใจก็ตามใช่ปะ่ะไม่ว่าจะคนนั้นไม่ว่าจะที่นั่น ไม่ว่าเสือ ก, การนั้นโอเคโอเคเราเข้าไปเพลิดเพลินหลงไหลส่งจิตใจไปตามในเรื่องนั้นตลอดเลยโอ้คนเขาจะเป็นไงนะงเห็ืคนนัานทำไมเขาทำอย่างนี้นะส่งใจไปตามสิ่งที่คิดนั้นในยินเนี่ส่งใจไปตามเสียงนั้นก็าจะว่าไงหรือเห็นภาพอะไรเขาเขียนโพสอะไรก็ส่งใจไปตามสิ่งที่เห็นนั้นแล้วก็ มีความคิดอะไรต่อเนื่อมันก็ทรงใจไปตามความคิดนั้นไปตามมันตลอดไปตามมันตลอดนั่นคือเพล่อไปคือเพลินไปก็เรียกว่ามั่วสมปักใจลงไปคือแอนโครสลงไปเลยปักใจลงไปในสิ่งนั้นที่ได้ยินที่ได้คิดปักใจพุ่งลงไปพุ่งลงไปเนี่ยมันจึงวุ่นวายมันจึงกัดข้อง เอาแค่ว่าเรารู้ว่าเรื่องที่มาให้เรากลุ้ м ใจเนี่ยมาทางไหนเสียงหรอภาพหรอใจหรอความคิดหรอเอาแค่ว่ารู้แค่นี้ท่านฟังนี่คือดีแล้วดีมากมากเลยอ๋อมันเป็นเสียงท่านมันเป็นเสียงมันเป็นความคิดท่านมันเป็นความคิดเหมันเป็นภาพ มันเป็นภาพอยู่ในช่องทางใจหรือเป็นเสียงหรือเป็นความคิดหรือเป็นอะไรอยู่ในหัวเราเนี่ยหัวเราเนี่ยบางคนก็หัวโตบางคนหัวเล็กเพราเรารู้แค่เนี่ยทุกฝั่งว่าอ๋อมันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ปะ่ะเออเนี่ยเราเริ่มที่จะลุดออกมาจากมันได้สักหน่อยหนึ่งแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วต่อไปอีกทุกฝั่งต่อไปอีก พิจรารณาไกรกรวนดูว่าสิ่งที่มาทำให้เราปลุมใจที่มันผ่านมาทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งเนี่ยผ่านมาแล้วเนี่ยมันยังไงมาผ่านมาแล้วมันก็เป็นความรับรู้การรับรู้คือสัญญาขึ้นมาไงมีสัญญาคือความหมายรู้บอว่ามันเป็นเสียงของคนนั้นอว่ามันเป็นเรื่องนั้น ที่เราหมายรู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ทำให้เราคุ้มใจเนี่ยคือคุณมีความหมายมารู้ขึ้นมาจนเรียกว่าสัญญาราะมีภษาษะไงจึงมีสัญญาภาษาในที่นี้มาทางไหนนะจริงๆนะกฏกฏีไงเสียงมากระทบหูเกิดความรับรู้ขึ้นในใจมันก็เป็นภษาษะธรรมารมคือความคิดมากระทบใจ มีการรับรู้ทางใจคือมโนวิญญาณเกิดขึ้นสามอย่างรวมกันก็เป็นปัสสัหรือมีภาพมากระทบตามีการรับรู้ทางตาคือจักสูบวิญญาณสามอย่างรวมกันก็เป็นปัสสัเกิดตรงนี้ที่เราคิดได้ได้ยินได้เห็นได้ก็เพราะว่ามีมโนวิญญาณโสตวิญญาณจักสูบวิญญาณโดยจิตก็เริมกระเบว้อไปตามนั้นเลย จิตเนี่ยไหลไปตามการรับรู้คือวิญญาณทางตาบ้างโสตวิญญาณคือทางหูบ้างมนโนวิญญาณคือทางใจบ้างแล้วก็ไปในเรื่องที่เห็นนั้นไงเรื่องที่ได้ยินนันไงเรื่องที่ต้องคิดนั่นไงโอ้จิตใจเรามาันไหลไปตามช่องทางนี้ได้ไหลไปในลักษณะแบบนี้กลุ่มใจไปไม่มีปกลุ่มใจไปจัดไปมันอยากมากกลุ้มก็กลุ่มไป มันอยากคิดก็คิดไปมันอยากเครื่องก็เครื่องไปเวลามันไปมันไปแบบนี้แค่เราสังเกตเห็นว่ามันมาช่องทางไหนนี่นะเป็นความคิดหรือเป็นเสียงหรือเป็นภาพเนี่ยคุณเห็นละเห็นภาษาละคุณรู้ละคุณรู้ปัญญาละคุณเห็นพูดรู้ละเห็นภาษาแล้วไงก็มีภาษาแล้วก็จะมีความหมายรู้ไงคือสัญญาไง อ๋อมันเป็นความคิดนึกในะสัญญานี่สัญญาคือความหมายรู้ที่มูฟังเป็นผลที่เกิดขึ้นจากผัสสะที่มากระทบไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามทีคุณรู้ได้ว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องญาตินะเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องเงินทองนะเนี่ยอันนี้นเป็นเรื่องการเมืองนะเนี่ยโอ้โแล้วนี่มันก็เป็นเรื่องสุขภาพนะเนี่ยคุณหมายรู้จากเสียงที่ได้ยินจากกลิ่นที่ได้ดม จากความคิดนึกที่เกิดขึ้นในใจเขาเปลี่ยนแล้วนะมากหนึ่งคือความคิงของเรานะเป็นธรรมารมแล้วเนี่ยโอ้สารการนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างนี้แน่นอนเลยหนึ่งเป็นธรรมารมณนะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นภาษามาเรารู้เรื่องราวเหล่านั้นได้ว่าเป็นเรื่องอะไรอะไรการรับรู้นั้นนหะคือวิญญาณส่วนความหมายรู้ว่ามันเป็ น, นเรื่องอะไรนะั้นน่ะมันคือสัญญาคือความหมายรู้ ความหมายรู้นั่นนะ่ะเป็นผลของสัญญาที่เกิดขึ้นมีสัญญาด้วยอยู่ในไหนนะเนี่ยในช่องทางใจของเราเสียงนี่แหละมัน ม, มาเปลี่ยนเป็นธรรมารมได้ก็เพราะสัญญาตรงนี้ในช่องทางใจของเราหรือเราเห็นภาพก็ทำาอ น, นี้เาจะทำไมเขาอัพโหลดคลิปนี้เาจะทำไมเขาโพสต์ข้อความนี้เาจะทำไมเขาถึงเขียนอย่างนี้ เราเห็นภาพใช่ปะรารู้ว่านี่เป็นเรื่องการเมืองเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักเรื่องการเงินเนินประวัติภาพที่เห็นเนี่ยเกิดการรับรู้ขึ้นในช่องทางใจเป็นจักสุวิญญาณสามอย่างรวมกันคือผัสสะเกิดเป็นความหมายรู้คือสัญญาขึ้นว่าโอ้มันเรื่องการเงินนะเอมันเรื่องการงานนะเอมันเรื่องความสัมพันธนะ์นะนี่มันรู้ได้เนี่ยก็เพราะสัญญามีสัญญาเกิดขึ้นโอมีสัญญาเกิดขึ้นนะเนี่ย ในช่องทางใจของเราสัญญาเป็นอะไรสัญญาก็เป็นธรรมารม์อย่างหนึ่งแธรรมารมเนี้ยที่เป็นสัญญานีรุ่งแด่งเปลี่ยนแปลงได้คุณฟังทำเป็นสัญญาความหมายรู้ในลักษณะที่เราก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจสิ่นเรื่องการเมืองในแอฟริกาหรือเรื่องปัญหาสิ่งวัาล้อมในยุโรปหรือว่าปัญหาเด็กกำพร้าในอเมริกาใต้ ให้บางทีผมไม่ได้ข่าวเอออาจจะได้คราวแต่ว่าไม่เคยเคยได้แคร์ก็จะเป็นสัญญาชนิดที่เราไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจนั่นคือไม่ได้ค่อยยึดถือไงไม่ได้ค่อยยึดถือมันมันต้องเป็นเรื่องราวอะไรที่เราจะไปแคร์ไปสนใจมีปัญหาอะไรไงมันก็เรื่องของประเทศเขาเรื่องของรีเชียนเขาเรื่องของเขาแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นของเรานี่ยนะสิ สัญญ า, านั้นความหมายรู้นั้นถ้าเรามีความยึดถือในเรื่องนั้นอันใดอันหนึ่งใช่วปะอันนีลูกเรานะเนี่ยอันนี้ เ, นเนนนพื่อนเรานะเนี่ยอันนี้ประเทศเร า, านะเนี่ยอันนี้เป็นกายของฉันนะเนี่ยมีความยึดถือในเรื่องราวเหล่านั้นที่เป็นสัญญานั้นแล้วนี่น่ยมีความยึดถือตรงไหนจำฟงังผู้อุปทานเมืม่อการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงมันก็จะไปปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของความยึดถือที่มีอยู่ในจิตของเรา ความยึดถือยู่ที่ไหนนะยึดถือสัญญายึดถืออะไรกับอะไรนะยึดถือสัญญาเข้ากับจิตไงแต่แมจิตเนี่ยมันติดตึบนึกเนึดเนืดเ น, นืดอยู่ในสัญญานั้นหรือเป็นสัญญาอย่างอื่นใช่ไหม เ, เรื่องอเมริกาใต้แอฟริกาใต้หรืออาร์ติกใต้แต่มันจะมีเนี่ยเพราะเราไม่ได้ยึดถือเรื่องนั้นกับจิตการปรุงแต่งต่อเนื่องต่อไปมันจะไม่มีนะเพราะมันก็ วางได้เลยมันไม่ได้ยึดถืออะไรรับรู้มาไม่สนใจก็ได้เดี๋ยวมันก็หายไปดับไปตามเงื่อนไขปัจจัยแห่งผัฒนาที่มากระทบแต่ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องที่มันยึดถือนี่นะเวลามันมากระทบแล้วเนี่ยมันจะติดตึบเลยเพราะมีความยึดถือเกิดขึ้นติดยใหญ่นะติดอยู่ที่จิตจิตกับอะไรนะสัญญาในบางเรื่องที่เรายึดถือนั้นๆติดตึบกันแล้ว เวลามันจะปรุงแต่งเมืันก็ปรุงแต่งไปในลักษณะที่จิตนั้นแหะจะเป็นปรุงแต่งไปในลักษณะที่จิตนั้นแหะมีประสบการณ์มาปรุงแต่งไปในลักษณะที่จิตนั้นแหะมีความเคยชินความเคยชินมีประสบการณ์มา ส, สิ่งที่สะสมไว้นั่นก็คืออาสว่นั่นเองถ้าจิตมีอาสวะในลักษณะแบบไหนโดยความยึดถือที่มันยึดถือติดเข้าไปในสัญสญานั้นเวลามีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลง มันก็จะปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงตามสภาวะที่มีการสะสมมาตามอาสวะที่จิตนั้นเป็นไปนั่นเองปรุงแต่งเป็นไงถ้ามีอาสวะในลักษณะที่โมหะมากก็จะปรุงแต่งให้กลัวให้ย่านให้เสียวให้มีปัญหาให้คิดนึกไปนั่นนี่แต่าอาสวะสะสมมาในลักษณะที่เป็นปฏิฆะความขัดเคลือง ปรุงแต่งออกมามันก็จะเป็นความโกรธไปในสัญญาที่คุณไปยึดถือนั้นหรือจะมีลักษณะการสะสมแบบเป็นราคะเป็นความพอใจเป็นราคานุสัยมันก็จะปรุงแต่งออกมาในลักษณะที่ให้เกิดราคะเกิดโลภะเกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นขึ้นมายิเลยคือความอยากมันก็ผลิตออกมาในช่องทางใจด้วยจิตที่ไปยึดถือในสัญญานั้นๆ มีกิเลออกมาแล้วเหมือนเหมือนกับว่าเราใส่แว่นสีแดงดูบ้างวล้วเราใส่แว่นสีแดงมองไปทางไหนไหนก็ตามทุกสิ่งมันก็เป็นสีแดงๆไปหมดอะไรที่เป็นสีขาวมันเป็นสีแดงไปก่อนเลยอะไรที่เป็นสีเขียวพุ๊บมันก็จะช้าเลือดช้าหนองเล็หน่อยแต่ก็จะมีโทนแดงๆอยู่หรือสีอื่นๆมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามแว่นคือสีแดงที่เราใส่ลงไปเอาไว้ ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนไปมันคนที่เขาเป็นตาบอดสีเนี่ยทุกฟังเห็นสัญญาณไฟจราจรเนี่ยที่บางทิงงงงมึนๆเนี่ยมันเขียวหรือมันแดงกันนะมันดูสับสนอย่างคนที่เห็นสีเขียวกับสีฟ้ามันทีเรียกสีฟ้าว่าสีเขียวด่างเขียวเนี่ยมันสีฟ้าน่าทำไมว่ามันเป็นสีเขียวหรือเขาบอกให้เอาสียวขาวมา เอาแต่น้มันไม่ได้สีขาวน้ำมันสีดำให้ทำไมเรียกเป็นใบอย่างนี้กนนี้แรกกระชายการปรุงแต่งดุมฟังบื่นดีกับมึนๆเหมือนกันไอ้การปรุงแต่งที่มันผลิตเป็นความเศร้าหมองออกมาเรียว่ากิเลสตามลักษณะของการสะสมสั่งสมที่มีอยู่ในจิตกิเลที่ออกมานั้นถ้ามันเป็นโทสะมันก็จะทำให้การรับรู้ของเราเนี่ยเป็นในลักษณะที่แบบ ขัดเคืองไม่พอใจอาจจะแบบว่าไม่เห็นด้วยเป็นลักษณะความรุ่มร้อนร่าร้อนในช่องทางใจในช่องทางใจที่เกิดขึ้นมันก็จะมีโทสะคือเป็นเทือกเทกของมันนี่แหละอาจจะน้อยอาจจะมากอาจจะขัดเคืองไม่พอใจเป็นเบาๆก็เรียกว่าปฏิฆะออกมามากหน่อยมันก็จะเริ่มร้อนขึ้นออกมามากอีกมันก็จะเริ่มเดือดออกมามาต่อไปอีกมันก็จะเริ่มแค้น ออกต่อไปอีกมันก็จะเริ่มผูกเวนที่นี้ออกมามากๆบางทีมันก็ออกมาทางกายด้วยหรือวาจาเป็นคำพูดด้วยออกมาทางกายก็เป็นการลงมือลงไม้ออกมาทางวาจาก็เป็นคำพูดคำจาสมมอยู่ในช่องทางใจก็เป็นความเร่าร้อนในใจแต่เป็นโทสะนะหรือถ้าลักษณะการสั่งสมในจิตของเรามันเป็นแบบเนี้ย มันยึดถือมาในลักษณะเนี้ยจิตเนี่ยมันก็จะมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงตามลักษณะที่ให้เกิดราคะคือโลภะคือความอยากได้อยากได้สิ่งนี้อยากขายสิ่งนี้อยากเป็นแบบนี้มีความกรายมีความอยากก็เป็นลักษณะความแห้งปากเหมือสักครู่เนี่ยเป็นความร้อนใช่ไหมพอเห็นพอดูพอได้ยินอะไรแล้วมันก็จะร้อนตามกันไปด้วย แต่ถ้าเป็นลักษณะที่ให้อยากเนี่ยมันจะเป็นความแห้งปากมันจะเป็นความกระหายมันจะเป็นความหิวมันเป็นความไม่พอไม่พอไม่พอสร้างอันนี้เราก็สร้างอันนี้ต่อทําอันนี้เราก็ทําอันนั้นต่ออยากได้อนี้เราก็อยากได้นั้นต่อเฮ้ย hey, ทำไมคุณไม่หยุดบ้างอะก็ทํามันอยากไงมันก็อยากทำต่อไปนั่นแหละถ้ามีลักษณะอุปนิสัยสิ่งที่สะสมมาเป็นอาสวัตเป็นแบบนั้นเนี่ย พอมีกิเลออกมาในลักษณะที่เป็นราคะโธสะมันก็ติดเข้าไปมันก็จะมีความแห้งผากอยู่ในใจมันก็จะต้องถ้าออกมาทางกายด้วยก็เป็นการกระทำทางกายต้องสบายหาต้องทำนั่งทำนี้ถ้าออกมาทางวาจาก็เป็นคำพูดคำจาต่อรองซื้อของพูดจาแบบนั้นแบบนี้ถ้าอยู่ในใจมันเป็นความแห้งผากในใจ ให้เราอยากได้ให้เราอยากมีอยากเป็นความอยากนี่อาจจะเห็นยากนะบูฟังเพราะบทโทษมันน้อยแต่โทษสตรนี่อาจจะเห็นง่ายเพราะบทโทษมันมากโมหะนะบูฟังยิ่งเห็นง่ายเลยเป็นธวิชาหนุษไส้ ฟ, ฟังอยู่ในจิตเนี่ยมีเรื่องใ น, นลักษณะที่ให้เกิดความยึดถือมาละนึ่งคือสัญญาใช่ไหมแล้วมีความยึดถือเกิดขึ้นน่นคืออุปาทานใช่ไหมยึดถืออะไรกับอะไรยึดถือสัญญากับจิตนั่นแหละ จิตนำไปยึดถือสัญญาด้วยคเป็นตัวตนผ่านทางวิญญาณเอาจิตไปยึดถือแล้วความยึดถือนั่นคืออุปทานใช่ไหมตอนจิตเนี่ยมีวิชาสวาฝังอยู่เป็นสิ่งที่จิตก็สะสมมาเป็นแบบนี้พฤติกรรมก็มาแบบนี้วิถีทางความคิดความประพัดสอนอะไรของมันมาเป็นแบบนี้มีโมหะในสัดส่วนผสมแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเวลามัน เจอปรุงแต่งอะไรออกมาพระจิตเนี่ยเป็นลันกษณะการปรุงแต่งอยู่แล้วไปติดอยู่กับอะไรในปรุงแต่งตามสิ่งนั้นไปหมดเอามันก็จึงมีการผลิตเรื่องราวที่ให้เกิดเป็นโมหะขึ้นมาในช่องทางใจโมหะขึ้นมานี้เป็นอะไรอ่ะเป็นความกลุ่มใจนี่ก็อย่างนึงได้เป็นความอคตันยูก็อย่างนึงได้เป็นความคิดนึกปรุงแต่งต่อไปไว่า้เขาต้องเป็นอย่างงั้นแล้วเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็ต้องคิดอย่างงั้นอย่าง ง, งน้น นี่ตามอาวิชชาปรุงแต่งต่อไปต่อไปออกมาเป็นสัญญาแบบใหม่ที่เปื้อนไปด้วยโทรศับ้างถ้าความยึดถือหรือการปรุงแต่งสัดส่วนนั้นออกมาแบบนี้หรือก็เป็นสัญญาแบบใหม่ที่เพื่อนไปด้วยราคาบ้างความอยากไงมันได้มันมีมันเป็นมันต้องการของมันต้องมีสัญญาแบบใหม่นี่ก็จะคิดออกมาก ว, ว่าถ้าฉันใช้ของนี้ใช้กระเป๋ารองเท้า หรือว่าโทรศัพท์เครื่องนี้แล้วแ ม, มันจะโก้อย่างงี้มันก็ใช้อย่างนี้ได้ให้ความคิดนึกใหม่ที่ว่าใช้อย่างนี้ได้ใส่อย่างนี้ได้ใช้เคสนี้ได้ใช้กรณีแบบนี้ได้นึกสัญญาแบบใหม่ออกมาสัญญาแบบใหม่ออกมาที่ก็าตามกระแสการปรุงแต่งของราคานุใสที่อยู่ในช่องทางใจนั่นละ่ะหรือว่าถ้าโมหานำปรุงแต่งออกมานี่สัญญาแบบใหม่มันก็จะคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้น ซึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือต้องเป็นแบบนี้แน่นอนเลยสัญญาณแบบใหม่ที่เพื่อนไปด้วยโมหะก็ออกมาแล้วสัญญาแบบใหม่เพื่อนด้วยราคาโทสะโ ม, มหะก็ออกมาตามการปรุงแต่งที่จิตของเราเนี่ยมันสะสมมาแบบไหนแบบไหนเพราะความยึดถือมาอยู่ตรงนั้นตรงนั้นแต่ว่านะเราเปรียบเทียบดูทุกฝั่งเปรียบเทียบส่วนต่างดูถ้าเรื่องที่เราไม่แข่กับคนที่เราไม่แข่ ประเด็นที่เราไม่สนใจนั่นคือคุณไม่ได้ยึดถือในสิ่งนั้นไงไม่ได้ยึดถือในสถ า, านการณ์ของไม่ต้องเอาไกลเอามาเลเซียอย่างงี้เป็นต้นนะหรือกัมพูช า, า ง, งี้เป็นต้นนะหรือไม่ต้องเอาไกลไป น, นะเอาเพื่อนบ้านอย่างนี้เป็นต้นอนะเพื่อนบ้านบางทีก็ทะเลาะ ก, กันในครัวเรือนโอ้ยเรื่องเพื่อนบ้านคุณอย่าไปยุ่งเขาก็พูดอะเราไม่ยุ่งกันแหก็เาะบางที่เราก็ไม่ได้แคร์ใช่ไหมละ่ะไม่ได้สนใจได้ยินเสียงโป้งเป้งอะไรกันเออเราก็ไม่ได้คิดนึก ปรุงแต่งต่อไปหรือเรื่องที่เราไม่ได้สนใจนั่นนะเรื่องที่เราไม่ได้ยึดถือนั่นแหละเวลาจะบรุงแต่งต่อไปมันก็ไม่ได้จะไปตามกระแสของราคาโทสาโมะนะเพราะว่าความยึดถือที่จิตมันไม่มีที่ว่าต้องให้เป็นอย่างไงอย่างนี้อันนี้ก็จะไม่เหมือน ก, นกันกับคนที่เขาชอบแสเรื่องชาวบ้านภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า No ซี่คือแบบจมูกเนี่ยไวเหลือเกินเรื่องนั้นเขาจะเป็นยังไง ให้กระแสการปรุงแต่งแบบสร้างข่าวลือบ้างสนใจแล้วมันก็คือคุณยึดถือในเรื่องของเพื่อนบ้านอะไรไงก็ถึงบอกว่าต้องคิดนึกปรุงแต่งไปตามกระแสของความยึดถือที่มีนั่นคือโมหะนั่นแหละอันนี้ก็ยกมาปเปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างว่าถ้าเรื่องที่เราไม่ได้จยึดถือเนี่ยการปรุงแต่งไม่ได้จะเป็นไปตามหรือไม่ไม่ได้จะมีมากนะแต่ถ้าเรื่องอะไรที่เรายึดถือ มันคือมีอุปทานการปรุงแต่งอะไรต่างๆออกมาเนี่ยมันจะมีมากตามกระแสของจิต ท, ที่มีอ า, ศ า, ศาสวัตสั่งสมมาแบบไหนแบบไหนโดยการปรุงแต่งที่มันมีมากออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆตามลักษณะของการสั่งสมในจิตกิเลนน่นและมันออกมาราคะโทเสามาอยู่ในช่องทางใจมาเข้ามาเข้าก็เออออกมาล้นออกมาทางวาจา เป็นคำพูมาเข้ามาเข้าไปอีกหยุดไม่อยู่อั้นไม่ไหวไม่รู้จักละสกัดไม่ได้ป้องกันไม่เป็นล้นออกมาล้นมากข้มาเข้ามันก็ออกมาทางมือไม้ด้วยกายด้วยเป็นกำปั้นกำหมัดโชกใส่เข้าใช้อาวุธมีคมไม่มีคมใช้ก้อนดินท่อนไม้อันนี้คือเป็นลักษณะโทสะที่มันออกมาลักหรือหยิบจับขโมยขโมยมันก็เป็นราคาลักษ บางทีการขโมยบางอย่างถูกบังคับด้วยโทรศัพท์บางทีก็เป็นได้หรือวาจาที่พูดด่าออกไปบางทีมันก็มาจากโมหันนั่นแหละก็เป็นได้เหมือนกันเพรา ะ, มะโมหันมันร้ายกาจ ร, ร้ายแรงเห็นก็ยากโทษก็มากราคะนี่มันยังเห็นง่ายเพราะโทษมันมากมันมันก็ยังคลายเร็วด้วยอย่างไงก็ถามดูฝังลักษณะที่ถ้าเราไม่รู้จักปิดกัน้นป้องกันสะกด หรือระ ง, งับหรือกาจัดมันออกไปมันก็จะปรุงแต่งอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆมีมากเข้ามาเข้ารูว่างมันก็ risen, นจึงรู้สึกหนักเป็นความหนักใจมาเข้ามากเข้ามันก็จะรู้สึกยุ่งเป็นความยุ่งใจมาเข้ามาเข้ามีมันก็จะรู้สึกรกไปหมดเลยเป็นความรกใจเป็นความกลุ่มใจเป็นความหนักใจ เป็นปัญหาในใจเป็นเรื่องราวต่างๆในใจออกมาทางวาจาด้วยบ่นอย่างนั้นอย่างนี้คุยคนนั้นคนนี้ดา่า่าอย่างนั้นอย่างนี้บ่นออกไปใช่ไหมกายด้วยเดินทางไปนั่นนี่กระทำอย่างนั้นอย่างนี้เหยียนเรื่องราวนั้นนี้กายวาจาใจนั้นไปกันกับจิตนั่แหละที่จิตไปทางไหนกายวาจาใจก็ไปทางนั้นหรือกายวาจาใจคุณปรุงแต่งไปยังไง มันก็สะสมเข้าไปในจิตแบบนั้นจิตมีความสะสมอย่างไงเวลาปรุงแต่งออกไปทางกายวาจาใจมันก็ไปตามสิ่งที่สะสมนั่นแหละสะสมไปปรุงแต่งไปสะสมคืออาสวะปรุงแต่งคือสังขารมันเกี่ยวเนื่องกันด้วยตันหามีสายยื่นออกไปเป็นความยึดถือในสัญญาในภาษาถูกปกปิดไว้ด้วยอวิชชา ราก็ไม่รู้ม่เห็นนะกระบวนการขั้นตอนเป็นไงฉันแบบไปแล้วกวายวาจาใจฉันเป็นอย่างนี้ละไปแล้าไงก็ถูกไงมีปัญหาไงมีเรื่องราวไงโอ้ยใจเนี่ยมื่อดีนอนเอาเท้าขายนะผ่าข้างหนึ่งไม่พอต้องสองข้างลุนะ้นน่ะแล้วคุณจะไปนอนหลับได้ไงเอาเท้าขายนะผาไม่ได้นอนไม่อยู่หรอกมันต้องลุกไปเดินเดินไปก็บนไปอีก โอ้ที่นี่วุ่นวเนาะที่นี่วุ่นวาเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะย่าสะกุลบุตรทมาฟังนอนไม่หลับเวลากลางคืนยังไม่ถึงขนาดเอาเท้ากายนะพัลุกขึ้นมาแล้วโอ้แย่แล้วแย่แล้วทาไมเรานอนหลับไปก่อนตื่นขึ้นมาเนี่เห็นความจริงว่าไอ้ที่สวยๆหรูๆเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่อ่ะเนี่ย อย่งบางทีเรื่องราวที่เราคิดว่าโอ้คนนั้นเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นด้เขาดีอย่างนี้แต่จริงมันไม่ใช่เหรอเนี่ยหรือสิ่งนั้นมันจะต้องดีๆแบบนี้าแต่จริงมันไม่ใช่เนี่ยมีปัญหาเนี่ยมีความเศร้าหมองเนี่ยมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะเนี่ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหจะนอนต่อก็ไม่ได้ไปดีกว่านอนไม่หลับเดินไปก็บนไปที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะ ที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะในช่องทางใจของเราเนี่ยท่านฟังในช่องทางใจที่มันมีเรื่องราวแม้มันวุ่นวายขัดข้องจิตในแรอยู่ด้วยตลอดเป็นศูนย์กลางของเรื่องนี้ตลอดอยู่ในช่องทางใจแล้วก็วุ่นวายมันจะมีวิเวกได้ไงไม่วิเวกจิตไม่วิเวกอยู่บ้านหลังนี้ก็อยู่ไม่สุขหรอกอยู่บ้านหลังนอนก็อยู่ไม่ได้หรอก ไปวัดที่ใด ไ, ไปก็อยู่ไม่สุขไปที่ไหนก็จะมีปัญหาหนักเมันยุ่งไงยุ่งหนักด้วยกลุ่มด้วยรกด้วยจํารไว้เหมือนสุนัขจริงจอกทุฟังที่เป็นโรคเรื้อนอยู่ที่ผิวหนังมันคันมีคนรายงานมาว่าเอ้ยอยู่ใต้ต้นกระเบาเดมีคนเขาอยู่เช่นนั้นก็ดีนะครว่า นักจึงจอกที่เป็นโรคเรื่อนได้ยินอย่างนี้เอาวฉันก็อยู่ใต้ต้นกระบาวดูมันเป็นยังไงอยู่แล้วโอ้ยด้วยก็โรคเรื่อนของมันนั่นแหละทุกฝังมันก็คันมันก็ว่าโอ้ยอยู่ที่ใต้ต้นกระบานี้ไม่ดีเลยแย่จังต้นกระบานี่ไม่เห็นดีเลยอย่าไปด่าต้นกระบาว้ด้วยน ะ, พะเพอเพเยี่ยวใสด้วยเรากลุ่มใจหนักเข้าก็ถามกันนั่นเออไปยังไงดีนาะที่ไหนมันจะดี คนนั้นก็เขบอกว่าอยู่ใต้ต้นศักซิบนงทีอาจจะดีขึ้นนะมีคนก็อยู่ใต้ต้นศักแล้วเขาก็ดีนะสุวนไอิจจาวตัวนี้ก็เลยไปอยู่ใต้ต้นศักตามคําพูดที่คุณไปถามเขาแล้วเขาคนอื่นว่ามางี้คุณยึดถือแบบนี้คุณก็ไปไปอยู่ใต้ต้นศักแล้วเออคิดว่าเราจะได้หายคันสัทีแต่พอไปอยู่แล้วก็ด้วยโรคเรื้อนของมันนั่นแหละมันก็คันคันแล้วมันก็โอ้ยอยู่ใต้ต้นศักไม่เห็นดีเลย เขาก็ยังคันอยู่ยังไงแล้วเนี่ยพอกกลุ่มใจนักเข้านักเข้าก็าถามคนทั้นีน้เขาว่าไงอ่ะเขาไปอยู่ริมน้ําสิริมน้ํำคนนั้นน่ะมีเงื้อมผาด้วยไปอยู่ทั้งริมน้ําและเงื้อมผาด้วยกันมีคนก็เคยไปอยู่มาแล้วก็ทาํามาแล้วหนึ่งเขาดีนะโอเคไปไปไปสุนันจริงจอก็ไปไปอยู่เสร็จปุ๊บด้วยความที่เป็นโรคเรื้องของมันทำฟัง โดนลมก็คันไม่โดนลมก็คันโดนแดดก็คันก็ว่ามีแดดเพราะไม่มีแดดก็คันก็ว่าไม่มีแดดเมันจึงคันอ้าวเราตะกี้มีแดดทําไมคันอ้าวแล้วไม่มีแดดจะไม่คันหรอก็คันอยู่ดีก็โทษทั้งแดดและไม่แดดโทษทั้งลมและไม่ลมโทษทั้งเงื่อนผาและน้ําโทษทั้งต้นสัก LM และต้นกระเพราโทษไปหมดอนะแต่ว่าสาเหตุจริงจริงะ มันไม่ใช่พวกนั้นไงท่นหวังคือนี่มันมาที่หลังแล้วตามการปรุงแต่งว่าคุณเออไปอยู่เดินทางไปเขาสายข่าวรายงานมานั่นนี่แต่่พิงจริงมันอยู่ที่โรคเรือนนะโรคเรือนตรงนี้ถ้าอยู่ที่ใต้ต้นสักแล้วคุณรักษาโรคเรือนอยู่ใต้ต้นสักก็ดีถ้าคุณอยู่ที่ใต้ต้นกระบะหรือคุณรักษาโรคเรือนอยู่ใต้ต้นกระบรรรรนนระบนั้นกด็ดีถ้าคุณอยู่ริมน้าอยู่เงือนผา มีแดดมีลมผ่านมาแล้วคุณรักษาที่โรคเรือนนะ่นนะแต่แดดจะลมจะเงื้อมผาจะริมน้ำนั่นน่ะมันดีเพราะว่าคุณรักษาโรคที่มันเป็นสาเหตุให้เกิดความคันที่ไหนก็ดีตั้ง่ังมันจะดีได้เนี่เราต้องรู้สาเหตุของมันเราก็าใช้สาเหตุของมันไหมที่เรียสักคุณบุญวุ่นวายใจจนนอนไม่หลับเนี่ย เพราะไม่เข้าใจสาเหตุี่ทำไมเรา ก, กลุ่มใจทำไมเรา ก, กลุ่มใจทำไมเรากังวลใจ ท, ทั้งท้งที่เงินทองก็มี ท, ทั้งทั้งที่อาหารก็ไม่อดไม่ยาก ท, าทั้งทั้งที่สิ่งที่มีความสุขเนี่ยก็มากล้นเหลือหลายเงินทองมากจนเขามีทองคําอ่ะเอาแผ่นทองคําเนี่ยที่ว่าเรามักจะเอาไปติดพระพุทธรูปเนี่ยเอามาติดรองเท้าซะเห็นรองเท้ามัน ง, มงามๆเป็นสีทอง ร่ารวยขนาดนั้นทำฟังก็ยังกลุ้มใจได้อต่บางคนจะบอกว่าโอ้ยเราไม่ต้องปานนั้นคือบางทีไม่มีข้าวกินไม่มีเงินจะจ่ายค่าไฟมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือญาติมินพี่น้องเฮ้ยเป็นญาติกันทำไมต้องทะเลาะ ก, กันเป็นเพื่อนกันทำไมต้องเกลียดกันเป็นคนในบริษัทเดียวกันทำไมต้องอิจฉากัน แล้วก็เกิดเรื่องกลุ่มใจกังวลใจไม่สบายใจขึ้นมาคือถ้าเราไม่เข้าใจกระบวนการการทํางานแล้วก็จะไปคิดว่าเพื่อนบ้านนั้นคนนั้นฝั่งนั้นเหมือนยักษ์ศาสร์กลุ้มนเนระดับที่กลุ่มใจไม่รู้ไม่เข้าใจกระแสขการปรุงแต่งแบบนี้ก็จึงแบบไม่รู้จะทำไงอ่ะมันก็ไปเรื่อยๆอ่ะเดินออกไปบางคนย้ายบริษัทด้วยนะย้ายบริษัทเพราะ บ, บริษัทนี้มันห่วย มันไม่ดีมางคนถึงขนาดย้ายบ้านนู้นนะเพราะเพื่อนบ้านมันแย่มันเห็นแก่ตัวบางคนึงขนาดว่าย้ายประเทศนู้นนะประเทศนั้นดีประเทศนี้ไม่ดีจะไปที่นั่นไม่อยากไปที่นี่เนี่ยมคิดนึกปรุงแต่งไปตามการปรุงแต่งคิดนึกที่อยู่ในจิตใช่ปะแต่ถ้าไปอยู่ที่ไหนที่นั่นว่าดีเนี่ยแล้วยังมีการยึดถือ ในลักษณะที่มันยึดถือแล้วจะมีการปรุงแต่งเป็นราคาโทสะโมหะออกมาในช่องทางใจเนี่ยมันจะไม่สบายบฟังอยู่บริษัทใหม่ก็เหมือนเดิมอยู่บ้านใหม่ไม่ต่างกันเดิมอะอยู่ประเทศใหม่ก็จะมันมีปัญหานั่นอีกเราก็ยังเคืองอยู่นะเราก็ยังกลุ่มใจอยู่ลนะจะความวิเวกจากสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าสถานที่นั้นจะเป็นเงื้อมผาริมน้ําป่าชัดป่าโปร่งหรือว่าท้องถ้ำหลอมฝังจะเป็นวัดแห่งใดหงหนึ่งก็ตามเอา้าเป็นสถานที่ที่เราว่ า, าวิเวกรก็เล่นหน้าจะดีแต่ถ้าจิตใจเรามันยังวุ่นวายอยู่เนี่ยมันไม่ดีความวุ่นวายกระบวนการนี้ทุกฟังเหมือนเกิดจากการที่จิตของเราเนี่ยมันมีความยึดถือหนึ่งคื อ, อประทาน ความยึดสือในอะไรสัญญาเกิดจากอะไรสิ่งที่เห็นสิ่งที่คิดสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณคิดเกิดเป็นสัญญาขึ้นไปในใจจิตของเรามีความยึดถือในสิ่งนั้นทำไมจิตคุณมีความยึดถือในสิ่งนั้นเพราะว่าจิตนั้นยังมีตัณหาอยู่ตัณหานั้นมันเชื่อมจิตไปกับการปรุงแต่งทางกายวาจาใจหรึ่คือสังขารจิตที่มันไม่รู้ว่ามันไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้นะั่นแหะ มันเกิดไปจากการปรุงแต่งที่จิตมันเกิดขึ้นนะ่ะคือสังขารลักษณะการปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ปรุงแต่งไปทางกายวาจาใจมันก็มีการสะสมอาสวะเกิดขึ้นมันเชื่อมกันอยู่ได้เนี่ยราะตัญหามีตัญหาแล้วมันจึงมีอุปทานความยึดถือไปได้ไงลักษณะการที่จิตนั้นมีการปรุงแต่งสังขาร มันเชื่อมาใสยกันอยู่ได้ด้วยตัณหามีการทำงานเอาไปเป็นอุปทานคือความยึดถือในสิ่งที่เป็นความคิดนึกสัญญาอารมณ์ต่างๆนั่นแหละสัญญาอารมณ์ต่างๆนั้นมาจากไหนสิ่งที่เห็นสิ่งดีๆยินเรื่องราวต่างๆภายนอกมีมามันจึงวุ่นมันจึงยุ่งมันจึงมารุงตงนางไม่รู้อะไรเป็นอะไร เหมือนกลุ่มได้ที่มันวุ่นมันยุ่งพันกันเป็นปมแก้ยากมากๆแก่นี่ไม่ไหวแล้วทำไงอตัดมันซะตัดเลยมันจะใช้เวลานานเท่าไหร่เจะแก้เนี่ยวิกว่ามันยังจะใช้ได้เหรอถ้าตัดละมางคนจะคิดว่าแก่ไงแก้แล้วมันจะยังใช้ได้ใช้ได้อยู่แต่ถ้าแก้ออกแล้วเดี๋ยวมันก็พันใหม่ได้นะเอาใช้ไวเลสดีกว่า หูฟังนี่นะสมัยก่อนมันเป็นสายไงเขาแถมมาให้กับโทรศัพท์มือถือเนี่ยใช้ไปที่ไหนมันก็พันกันอยู่เรื่อยพันกันอยู่เรื่อยโอ้แตพอเปลี่ยนเป็นวายเลสเนะี่ยทฟังชีวิตดีขึ้นเลยไม่ต้องใช้สายไม่มีอะไรมาพัวพันตัดมันเลยท่านฟังตัดมันเลยตัดเลยตัดเอา้าตัดนี่ไม่ใช่ทำลายไงอย่าไปเข้าใจว่าตัดนั้นคือทำลาย คือถ้าตัดผิดนด่นคือดทำลายถ้าตัดถูกไม่ทำลายนะแต่ได้ประโยชน์ยังไงคือตัดผิดตัดผิดก็เดินไปตัดไอ้ตรงสิ่งนั้นไงคือไปทำลายสิ่งนั้นฉันโอ้ชีวิตฉันเนี่ยมันยุ่งวุ่นวายมากฉันฆ่าตัวตายดีกว่าฆ่าตัวตายคือว่าจะหนีปัญหานั่นคือตัดผิดเดินไปตัดที่ตัวคนหรือไปตัดที่ตาเอาฉันไม่อยากเห็น้นแทงตาไม่ให้เห็น คือนี่ม่ใว่าหมายความว่าให้ใหไปฆ่าตัวตา ย, ยให้ไปแตงตานะนี่ยกตัวอย่างเฉยหรือคนนั้นมันมีปัญหามากสั่งฆ่ามันเลยให้มันตายซะปะัญหาจะได้จบคนนี้ตายเมื่อไหร่ปรัญหาจบเมื่อ น, นั้นอันนี้คือตัดผิดนะตัดผิดนัด้นไปตัดสิ่งที่เป็นรูปนั้นไปตัดสิ่งที่เป็นเสียงนั้นไปตัดสิ่งที่เป็นสัญญานั้นถ้าบอกว่าตัดผิดตามฝังปัญหามันก็ไม่จบเพราะความยึดถือมันยังมี การที่ไปตัดที่ตานั้นเสียงนั้นนั่นคือสังฆ่าคนอื่นบ้างทำร้ายคนอื่นบ้างหรือุษทลายสิ่งนั้นบ้างการที่เราจะมาตัดที่จิตของเราแต่ที่จิตเ น, นี่ยมันถึงทลายจิตอย่างเงี้ยเอาเห็นจะก่าตัวตายอันนี้นคือตัดปิดไงเพราะว่าจิตนี่มันไม่ตายในลักษณะที่แว่าทําลายมาแล้วมันจะหายไปเลยเพราะว่าถ้ามันมีเหตุให้เกิดอยู่มันยังเกิดอยู่นะจิตของเราเนี่ย มันยังมีเหตุให้มันไปต่อได้มันก็ยังไปต่อได้นะคือตายแล้วมันเกิดใหม่ได้ไงสมมุติคนนั้นว่าเราว่าเป็นปัญหาเราให้เขาตายถ้าเหตุปัจจัยที่ทําให้มีความยึดถือมันยังมีอยู่มันไปยึดถือกับสิ่งอื่นคนอื่นเรื่องอื่นประเทศอื่นแบบอื่นได้เหมือนกันนะมันจะเป็นตรงคนนี้หรอกแต่ความยึดถือมันยังมีมันคืบอนานต่อไปได้จีโกเรานีไม่ต่างกันอะเราทําลายจุดนี้ มันยังมีความยึดถือมันก็เกิดใหม่ได้อีกเราต้องตัดให้ถูกจุดเมฟังจุดที่จะตัดคือตรงตันหาจุดที่จะทำลายคือตรงอวิชชาจุดที่จะต้องเล็งนั่นคือตรงความยึดถือความยึดถืออยู่ตรงไหนเตมฟังเวลาเราเล็งเนี่ยเราเล็งไปตรงนั้นเวลาเราฟันเน่เราฟันยื้อยื้อไปหน่อย เพราะเวลาที่เราจับให้เจ้าความกลุ่มใจได้เวลาที่เราจับเจ้าความกังวลใจได้เวลาที่เราจับความโกรธได้เนี่ยมันอยู่ตรงที่เราจะถือเวลามันเกิดนะมันจะเกิดตรงนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้สึกโกรธใครหรือกลุ่มใจตรงไหนคุณรู้สึกตรงไหนอ่ะคุณไม่ได้รู้สึกที่หูคุณไม่ได้รู้สึกที่หัวหรือคุณไม่ได้รู้สึกที่ท้องนัมันมาภายหลังแต่คุณรู้สึกท่ามกลางอก นั่นคือใจของเราตรงนั้นแหละมันไม่ใช่ที่คนอื่นมันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ในช่องทางใจของเรามันอยู่ตรงเสียงมันอยู่ตรงภาพตรงการรับรู้ตรงนั้นค้พูดาาถึงในสัญญาแล้วเล็งให้ดีมันอยู่ตรงนั้นขันห้างอยู่ตรงไหนความยึดถือนะมันไม่มีที่อื่นหรอกมันก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละเวลาความยึดถืออยู่ตรงไห น, นเล็งตรงนั้น ขยัมานิดนึงเผื่อมาจิ้นไว้ด้วยหนึ่งคือตรงตันหาเราจะตัดเราตัดตรงตันหาตันหาอุปทานนี่มันเชื่อมอะไรกับอะไรไว้มันเชื่อมสัญญาสังขารบิญยารูปเข้ากันกับจิตมันเชื่อมขันห้าเข้าที่จิตเวลาเราเล็งนะเราเล็งตรงอุปทานใช่ไหมยิงเยิงมาหน่อยเอาตรงตันหานั้นแหละอย่าฟันเลยไปเกินไปเกินไปไปตรงจิต อย่าฟันมาเป๊ะเลยเดี๋ยวมันไปถูกขันห้าแต่เราจะต้องทิมลงไปแทงลงไปพิจนารณานลงใบตรงจุดที่มันเป็นตันหาความยึดถือนั่นแหลเพราะปัญหามันเกิดตรงนั้นเรารู้สึกเจ็บปวดรู้สึกกลุ่มใจรู้สึกขัดเคืองใจในช่องทางใจตรงความยึดถือเชื่อมกันมาที่จิตของเราทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันจริงจังมาก เรื่องนี้มันหนักมากเรื่องนี้มันเครื่องมากมีปัญหามากๆให้ดูให้ดีให้ดูให้ ด, หดีจะตัดแล้วนะเล็งให้ดีก่อนอยู่ในช่องทางใจเวลาเราจะตัดเนี่ยเราตัดด้วยปัญญาฟังตัดด้วยปัญญาไร้กลุ่ยมาไร้กลุ่ยมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้เราคลุมใจเนี่ยมันคือตรงนี้นะมันคือตรงนี้ เป็นเรื่องยากก็จริงอ่ะมันเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ใช่ละเหมือนเรื่องคนนั้นก็มันก็ถูกกันว่าอ่ะเหมือนเรื่องการเงินมันก็ไม่ผิดหรอกแต่เวลามันรวมมาให้กลุ้มใจกลมวลใจเนี่ยมันรวมมาตรงนี้อยู่ในช่องทางใจของเรานี้มันรวมมาตรงนี้แล้วเราจะเอาปัญญาตัดเข้าไปพิจารณาท่านฟังพิจารณาคุณอยู่ใต้ต้นสักก็ตามคุณก็พิจารณาได้อยู่ใต้ต้นกบเบาเงื้อมผา ก็ใส่ยาให้สุนัขจิ้งฉอกได้คุณจะอยู่ที่บ้านคุณจะอยู่ที่ทํางานในรถเราพิจารณาได้วันนี้คือที่ของเราเองในช่องทางใจเนี่ยมันเป็นเหมือนอีโลกหนึ่งเป็นเหมือนอีกห้องหนึ่งเป็นห้องเป็นบ้านเป็นโลกของเราที่เราจะทํำยังไงกับมันก็ได้นะคุณจะพิจารณาในมันก็ได้ดูตัญหาวิ ช, ชาสังขารความยึดถือพวกนี้เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไป อยู่ในช่องทางใจของเรามีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่อยู่นิ่งเดี๋ยวได้ยินบ้างเดี๋ยวเห็นบ้างเดีเกิดบ้างเดี๋ยวดับบ้างเดี๋ยวคิดดีบ้างเดี๋ยวคิดร้ายบ้างเดี๋ยวคิดในอดีตบ้างเดี๋ยวคิดปัจจุบันอนาคตบ้างเดี๋ยวก็หยาบบ้างเดี๋ยก็ละเอียดบ้างเหมือนที่อย่างจะีไหนล่ะมันไม่คงที่ไม่คงตัวเราจะอาจจะบอกว่าจิตเนี่ยมันคงที่คงตัวโอเคคงตัวก็คงตัว เที่ยงก็เที่ยงแต่สิ่งที่จิตไปรับรู้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะกนณีปฏิเสธไม่ได้บางทีคิดก็กลุ่มใจพอไม่คิดก็ไม่กลุ่มใจแฮเออประหลาดไหมจินพอไปคิดเรื่องอื่นมันก็มีความรู้สึกอย่างอื่นที่มากับความคิดนั้นแต่พอมาคิดเรื่องนี้โอ้ยความคิดเรื่องนี้ที่มากลุ่มใจเหมือนก็ขึ้นมาทันทีเออ เอาทำให้ไงให้หายกลุ่มไปกินข้าวบ้างไปดูหนังบ้างเอาดูหนังมีอารมณ์ที่มากับหนังแบบไหนภาพยนตร์ละครเป็นอย่างนั้นสิใจอารมณ์เราก็ตามไปเออไม่เปลี่ยนแปลงอเนี่ยไม่เที่ยงอะเนี่ยนี่คือปัญญานะปัญญาสร้างขึ้นตรงนี้นะปัญญาในฝังมันดีตรงหนึ่งว่า่อให้คุณใช้แล้วตัดผิดตัดผิดที่ ไปตัดลงที่กายบ้างไปตัดลงที่จิตบ้างตัดลงตรงไหนเนี่ฝั่งมันเวิบลงเข้าอุปทานเสมอเลยนี่คือความวิเศษของปัญญานะถ้ามีแล้วตัดลงเนี่ยมันเหมือนกับมีเลเซอร์นำวิถีที่จะมาตัดลงตรงเจ้าความยึดถือเท่านั้นเลยทีนี้ถ้าบอกว่าเราใช้เครื่องมือผิดแทนที่จะใช้ปัญญาเป็นตัวตดัดก็โใช้กาลัง อย่างอื่นใช้วาจาเอาตัดจึ่พูดทิ่มแทงเขาพูดบังคับเขาใช้กำลังขู่เข็นนี่คือกายวาจาใช่ไหมใช้ในการที่จะทำอกุศลันนั่นคือใช้ไม่ถูกไม่ได้ใช้ปัญญาแต่ถ้าใช้ปัญญาตัดนะนเมื่อออกมาทางวาจาเนี่ยคำพูดก็เป็นสมาวาจาถ้าใช้ปัญญาตัดนะนเมื่อออกมาทางกายเนี่ยกัรกระตานั้นก็เป็นสมากัมมันต์สมาอาชีวะ แล้วถ้าเราใช้ปัญญาตัดนะทุกฝังใช้เครื่องมือถูกเนี่ยความคิดนึกของเราที่จะเป็นทางพยาบาทเป็นไม่พอใจเป็นความลุ่มหลงมันจะไม่ได้ออกมาเป็นรูปแบบของความเบียดเบียนความคิดอยู่ในใจหรือความคิดพยาบาทหรือความคิดในทางกายเลยการพยาบาทเบียดเบียนไม่มีเป็นไปในทางหลียออกจากกามความคิดนั้นก็ไปในมุมอปองร้ายกว่าอื่น ไม่ได้คิดจะให้เกิดความรุ่มร้อนเร่าร้อนความคิดนั้นก็อยู่ในใจของเราที่มันดีๆเนี่ยอยู่ในใจความคิดออกมาแบบนี้ถ้าเราใช้ปัญญาในการตัดทําฟังให้ใช้ปัญญาในการตัดปัญญาเกิดตรงไหนจริงนะเกิดตรงที่ว่าคุณเห็นความไม่ที่ยงยังไงของสิ่งไหนของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจิตใจเรานี่แหละเห็นยังไงนะ มาตามกระบวนการการแยกแยะแบบนี้ไงพอรามีการแยกแยะนั่นคือคุณตั้งสติไว้แล้วเลยไม่ได้ไหลตามก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยความคิดที่เกิดขึ้นนั้นแต่พอเราใคร่ครวนใคร่ครวญมาเรื่อยๆมันยิ่งทิงะะงงท้งระยะห่างยิ่งทิ้งระยะห่างจิตเรามีความระลึกถึงระลึกถึงที่ดีพอมันห่างกันหางการขึ้นเออเราจึงจะเริ่มเห็นนะนีอ่ออมันเป็นสัญญาเนี่ย โอ้มันเป็นเสียงนะเนี่ยมันเป็นธรรมารมณ์ที่นี่เกิดขึ้นเนี่อ่ามันมีธรรมารมณ์เกิดขึ้นโอมันมีความยึดถือเกิดขึ้นอ๋อความคิดนึกจิตก็เราเป็นแบบนี้ยึดถือแล้วมันมีสิ่งต่างๆผลิตออกมาเป็นกิเลสอ่าเราก็จึงตามกิเลสนั้นไปกิเลสในอบรมจิตใจเราเนี่มานานแล้วจิตใจเรามาเป็นแบบนี้ได้ก็เพราะว่ากิเลสนั่นแหละอบรมมา รู้อาจารย์พ่อแม่สั่งสอ น, นกับภายนอกสั่งสอนมาแล้วเข้ามาในใจเนี่ยกิเลสลุนล้วนบูวนวฟังกิเลสลุนล้ว น, วนอบรมมาอบรมมาเราเป็นอย่างนี้เอาถ้าอบรมมาดีกิเลสมันต้องดับอบรมมาดีนี่คื อ, อยังไงเอาอยู่น้อยให้พูดดีคิดดีทําดีกิเลสมันเกิดไม่ได้ด้วยความคิดดีๆกิเลสเกิดไม่ได้แต่มันสั่งสมได้ไงเป็นอาสวะ มีการกระทำแบบไหนโดยการที่แบบบางทีไม่ได้ตั้งเสตียไว้อ่ะมันก็เป็นการสะสมมาสบะเก็บเอาไว้ก่อนยังไม่ออกมาหรือออกมายุ่แต่ไม่รู้ออกมาแค่ทางใจยังไม่ออกมาทางกายวาจาก็กสะสมไ้สะสมไว้แล้วบางทีมันมีอะไรมากระตุน้นสิ่งที่กระตุ้นนั้นคือเรื่องราวที่เราไม่ เ, เิดความยึดถือมากระตุ้นแล้วกิเลก็ออกมาดีกา ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ตามเงื่อนไขตามปัจจัยที่มันมีการกระทบกันมาเราจึงมีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นมาแบบนี้แบบนี้การที่คุณแยกแยะได้เนี่ยคือสติแล้วมีสติแล้วจิตมันระ ง, งับรวมลงโดยอัตโนมัติ ท, ทันทีท่านผฟังมันจะไม่ได้แผ่ซ่านฟุง้งไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกพอมีสติแล้วจิตเนี่ยมันจะระ ง, งับลงโดยอัตโนมัติ มันจะเข้ารวมเข้ารวมรวมเข้ารวมเข้าคือระ ง, งับลงด้วยการที่มันระ ง, งับลงระ ง, งับลงนี่ยมันจะเล็กลงเล็กลงมันจะมาจดจ่อเข้าจดจ่อเข้าที่จุดใดจุดหนึ่งเราเอาการตั้งมั่นตรงนี้คือสมาธิตรงนี้มาทําให้เกิดปัญญาทําให้เกิดปัญญาปัญญาอยู่ตรงไหนปัญญาอยู่ตรงที่เราสร้างตรงไหนเราจะสร้างได้ตรงสมาธิ สมาธิจะสร้างปัญญาได้ไงให้เห็นสิ่งต่างๆนี่แหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงนี่คือสุดยอดปัญญาดูฝั่งเอาแค่นี้เหรอใช่เราทั้งหมดเนี่ยหมอผ่าตัดเนี่ยฝึกมเป็นสิบปีจะลงมีดครั้งแรกเนี่ยหมือนตรงนี้น่ะตรงผ่าเข้าไปนี่น่ะตรงผ่าเข้าไปแล้วเนี่ยความรู้ควา ม, ท, มทั้งหมดที่เขาเรียนมาเนี่ยมันมาตรงนี้ เราเอาสิ่งที่เราฝึกมาทำมาเรียนมามาใช้มันต้องเชื่อมลงด้วยตรงสมาธินี่ถ้าตัหาวิชามันจะเชื่อมกับสิ่งต่างๆด้วยอุปาทานเราจะเชื่อมกับกายวาจาใจของเราได้ด้วยสมาธิสมาธิอยู่ตรงนั้นทำปัญญาให้เกิดขึ้นอาศัยสมาธินี้ใช้จิตราที่มีสมาธิทำปัญญาให้เกิดขึ้ น, ญญนด้วยการเห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นความไม่เที่ยง ตรงไหนที่มันไม่เที่ยงเสียงเที่ยงไหมไม่เที่ยงเพราะว่าถ้ามันไม่มีแรงกำหนดเสียงไม่มีคนพูดเราก็ไม่ได้ยินเราก็ไม่รู้หูเที่ยงไหมหูเนี่ยโอยบางทีก็หูน้ำหนวกบางทีก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างขี้หูตันก็ไม่ได้ยินมันก็ไม่เที่ยงเอาตาล่ะหัวตานี่ยยิงไม่ต้องพูดถึงแก่แล้วด้วยบางทีกับฟ้าฟางมองไม่เห็น ไม่เห็นไม่เที่ยงกายล่ะเที่ยงไหมใจใจเออมันน่าจะเที่ยงนะแต่มันก็ไม่เที่ยงอะทุกฝั่งถ้าพอมันอาศัยกายนี้อยู่ไม่ได้มันก็อยู่ไม่ได้มันก็ไปมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันธรรมารมหลักความคิดนึกต่างๆนั่นนี่สัญญาเอาก็เมื่อก่อนยังไม่มีสัญญานี้ยหรือนี่มันมีมามันจะไปเที่ยงได้ไงมันไม่เที่ยงแต่มันยังไม่เกิดแล้วหรือบางที่มันเกิดแล้วมันก็ดับไปด้วยเช่นถ้าบางทีเราดูหนังเรื่องอื่น หรอคนอื่นเรื่องอื่นไอ้ความคิดนึกเรื่องนี้สัญญาเรื่องนี้ธรรมะรมเรื่องนี้เหมือนก็ดับไปมันก็ไม่จริงเหมือนกันนะเราแค่ว่าเราเห็นหรือเราไม่เห็นเนี่ยบางทีเราไม่เห็นเราก็เลยคิดว่ามันไม่มีใช่มันก็ไม่มีหรือบางทีมันไม่มีจริงๆเราจึงไม่เห็นก็อาจจะเป็นได้เหมือนถ้าคนตาบอดก็จะบอกว่าเอ้ยภูเขาท้องฟ้าต้นไม้สีเขียวสีแดงพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่มีว่ามันจะไม่มีได้ไงก็มันมีอยู่แต่เขาตาบอดไงเขาตาบอด แต่เขาอาจจะเห็นได้นะไม่เห็นพระจันทร์พระอาที่ไม่เป็นไรแต่เห็นความไม่เที่ยงเนี่ยนะได้ด้วยความเข้าใจจะเข้าใจได้ด้วยอาศัยจิตที่เป็นอารมณ์เดียวมันรวมลงมาอาจจะไม่ได้สังเกตว่าเป็นสมาธิเต็มร้อยอะ่ะแต่มันเริ่มหลุดออกจากสิ่งอื่นมันเริ่มรวมลงกันเข้ามานั้นแหละมันเป็นสมาธิที่พอใช้งานได้เอามาให้เห็นความไม่เที่ยง ในสิ่งที่เราพบเจอนั่นแหละในสิ่งที่เรากลุ่มใจนั่นแหละในสิ่งที่เราได้ยินนั่นแหละในสิ่งที่เราคิดนึกนั่นแหละไม่เที่ยงไม่เที่ยงทำไมไม่เที่ยงนะใครกูเลยดีมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยสิ่งใดที่อาศัยเงื่อนไขสิ่งใดที่อาศัยปัจจัยมีการปรุงแต่งเป็นกระบวนการมาแล้วนั่นคือไม่เที่ยงแม้แต่จิโเราลุ่มฟังจิโคราที่ว่ามีสปาบายการสังสม เป็นกิเลสสังสมมาพรุงแต่งออกไปนี่แหละมันไม่เที่ยงดูสิบางครามก็นิ่งเออมันก็ดีบางครามก็ฟุง้งซ่านอยู่มันก็ไม่ดีบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีเอา้วมันเที่ยงไหมเออมันไม่เที่ยงเว้ยไม่เที่ยงสิ่งใดที่ฟังไม่เที่ยงเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขเล่ายัสสากุลุบบอกว่า เอามันก็ต้องเป็นทุกข์สิกระทุกอยู่ตรงวันนี้มันกลุ่มใจมันวุ่นวายใช่สิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นวุ่นวายสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราควรจะยึดถือมันหรอเราควรยึดถือมันไหมไม่ควรนะทนผู้ฟังความยึดถือเนี่ยไม่ดียึดถือสิ่งใดมีปัญหาดันดีสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวน สิ่งอะไรก็ตามเรายกไว้ก่อนเพราะมันยังไงก็ผ่านทางหูทางใจมาอยู่แล้วเหมือนกันไม่ต่างกันแต่จะบอกว่าคนนั้นเป็นลกูกคนนั้นเป็นผัวคนนั้นเป็นเพื่อนเอาตรงนั้นมันเรื่องภายนอกเรามาตรงใจนี้เราสังเกตไว้นะตั้งสติไว้เราพิจนารณาดูนะปัญญาหเห็นเราตั้งมั่นจิตไว้ให้ไหลไปทางอื่นนะั่นคือสมาธิด้วยสมาธิให้จิตไม่ไหลไปทางอื่น ด้วยสติที่ปิดกันนะ้นเอาไว้ตาหูด้วยปัญญาที่พิจรารณาเห็นถึงความไม่เที่ยงเข้าใจดูสิว่ามันเป็นทุกข์นะชิงใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรานะไม่ควรไม่ควรแล้วทํางไงตัดมันเลยวางมันเลยวางตัดละกําจัดความยึดถือไม่เอาไม่เอาสิ่งนี้ กรมจัดความยึดถือด้วยปัญญาตรงไหนคือปัญญาเห็นแค่นี้แหละดูมันฝังมันเป็นปัญญาแล้วเลยอย่าให้จิตมันไปฟุ้งซ่านคิดทางอื่นนั่นคือสมาธิแล้วเลยป้องกัน ร, รักษาสิ่งที่มันจะเข้ามาให้เราขุ่มใจอีกอะไรอีกโดยสติสติสมาธิปัญญาดูฝังรวมกันตรงนี้แหละรวมกันตรงไหนรวมกันตรงไหนก็ตามตรงนั้นจะไม่วุ่นวาย ตรงนั้นจะไม่กัดก้องจะนั่งอยู่ตรงใต้ต้นกระบกใต้ต้นกระบกนั้นก็ไม่กัดก้องจะนั่งอยู่ใต้ต้นศักดิ์จะนั่งอยู่ที่เงื้อมผาริมน้ําหรือจุดไหนก็ตามที่ห้องที่บ้านของเราที่นั่นก็ไม่วุ่นวายที่นั่นก็ไม่ขัดก้องด้วยธรรมะที่เราแคร่ครวนี้ไว้ในใจจะอยู่ในเอริบทนั่งก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้ขับรถเดินทางอยู่ในที่ทํางาน หรือว่าอยู่ในอีริบทนอนก็ไม่วุ่นวายใจได้ไม่ขัดข้องใจได้รักษาสมาธิรักษาปัญญารักษาจิตรักษาสติของเราไว้ให้ดีทั้งฝั่งนี่คือการพึ่งตนนี่คือการพึ่งธรรมะเราไม่ต้องไปรอคอยพึ่งคนอื่นสแสวงหาสิ่งอื่นหรอกอยู่ในจิตใจของเราี่หเราพึ่งตัวเราเราพึ่งธรรมะของเราให้มีความสบายใจให้มีความไม่วุ่นวายใจ ให้มีความเย็นใจท่านฟังรายการธรรมารับรุญช่วงของจิตตวิเวกจะมาพบกับท่านฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่แบบใช้กระพริบาพระมหาไพบูรณ ้าพี่ปุณโญพบกันไปในวันพรุ่งนี้สุรือนบาล